สมัยนั้นพวกภิกษุฉัพักขีกั้นร่มเดินเที่ยวครั้งนั้นอุบาสกคนหนึ่งไปเที่ยวอุทยานกับสาวกของ